ใจอ่อนโกรธง่ายหายเร็วเขามาพูดดีด้วยก็ยกโทษให้หมดแต่อยู่ว่างๆก็นึกถึงเรื่องแทงใจดํากลับลํามาแค้นได้อีกใจแข็งจริงอภัยได้จริงอภัยแล้วอภัยเลยนุ่มนวลเยือกเย็นอยู่บนพื้นจิตพื้นใจที่มัน่นคงอภัยง่ายเกินไปทาให้กลายเป็นคนใจอ่อนปวกเปียกหรือไม่ ถ้ากโกรธง่ายหายเร็วเข้ามาพูดดีด้วยก็ยกโทษให้หมดแต่ขนาดเดียวกันก็คิดมากอยู่ว่างๆก็นึกถึงเรื่องแทงใจดำกลับลํามาคิดแค้นเคืองได้เองอีกแบบนี้ถึงจะทำให้เป็นพวกใจอ่อนขาดจุดยืนเอาแน่เอานอนไม่ได้โดนซัดไปทางไหนก็ไหลไปทางนั้นถ้าลมปากดีๆของคนอื่นละลายความโกรธเราง่าย ความคิดร้ายๆก็กวนใจให้เป็นฟืนเป็นไฟไม่ยากส่วนคนใจแข็งนั้นไม่ใช่พวกสามารถรักษาจุดยืนทางความแค้นท่าเดียวถ้าชอบกอดความโกรธไปจนตายเขาเรียกใจกระด้างไม่ใช่ใจแข็งคนที่อาภัยได้จริงอาภัยแล้วอาภัยเลยต่างหากน่าจะได้ชื่อว่าใจแข็งจริงเรามีความรู้สึกนุ่มนวลเยือกเย็น โดยยืนอยู่บนพื้นจิตพื้นใจที่มั่นคงเพื่อจะเป็นคนใจแข็งในทางดีได้จริงก็อาจจะต้องฝึกอธิษฐานกำกับใจในช่วงต้นๆบ้างก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าในทางพุทธแท้นั้นการอธิษฐานไม่ใช่การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นการตั้งใจมั่นว่าจะทำอะไรเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นพูดง่ายๆว่า ตั้งเป้าให้เข้าทางนั่นแหละและในที่นี้ก็ไม่ใช่ตั้งเป้าขออะไราภายนอกแต่จะเน้นอธิษฐานขอความสามารถทางจิตเป็นหลักลองนึกดูปกติคุณจะอาภัยด้วยความคิดทำนองช่างบันเถอะเรื่องที่ล้วก็ล้ากันไปอย่างนี้ท้าวันดีคืนดีเกิดนึกขึ้นมาว่ามันทำอย่างนั้นกับเราได้ยังไงคุณก็จะไปไม่ถูก กลับมาหาทานที่มั่นที่ยืนหยัดไม่เจอแต่ถ้าอาภัยด้วยการคิดว่าครั้งนี้เจ็บแล้วไม่ผูกใจก็ขอให้ครั้งหน้าใจฉลาดที่จะไม่เจ็บคุณจะรู้สึกถึงข้อแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าเต็มใจทิ้งรอยแค้นครั้งนี้และมีความฉลาดอาภัยมากขึ้นในครั้งหน้าหรืออาจอาภัยด้วยการคิดว่า เสียรู้ครั้งนี้กี่บาทขอให้มีโอกาสทำบุญครั้งหน้าสมทบเพิ่มร้อยเท่าคุณจะรู้สึกถึงคำที่ว่าไม่ตายก็หาใหม่ได้และใจที่อภัยนั้นจะรู้สึกถึงความกว้างราวมหาสมุทรเห็นชัดว่ามหากุศลจิตในทางสลักคือบ่อเงินบ่อทองที่แท้จริงอาจใช่การคิดเอาคืนด้วยมหาอกุศลจิตไม่ เงินเกินร้อยเท่าที่จะได้มาในอนาคตจะไม่ใช่เงินร้อนที่ต้องแข่งแย่งชิงดีกับเขาแล้วแต่จะเป็นเงินเย็นที่เป็นบันไดสุขบันไดบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือถ้าอาภัยด้วยการคิดว่าอาภัยแล้วแยกทางแปลว่าแยกทางด้วยบุญขอบุญจงบรรดาญที่เจอกันใหม่แบบไร้รอยแค้นไม่ต้องมาเป็นคู่ทรมานกันอย่างนี้อีก คุณจะรู้สึกถึงสัญญาณนำร่องอย่างใหญ่ในทางดีและเริ่มเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าจากจิตส่วนลึกเห็นภาวะคู่ดีๆเริ่มต้นจากชาติใดชาติหนึ่งที่เอาชนะภัยเวรทางใจได้นี่เองเมื่อมีการอธิษฐานมีเป้าหมายจาชัดมีเครื่องระลึกให้จำแม่นว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรแล้วพอจะผันผวนก็กลับไปกลับมาประสามนุษย์ ก็จะหยุดเพราะระลึกถึงคำอธิษฐานได้เอาจิตกลับมาหาเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จึงคิดกลับไปกลับมาน้อยลงหรือไม่คิดอีกเลยซึ่งก็หมายความว่าโอกาสหลุดจากภัยเวรมีจริงแล้วจิตตั้งมั่นหนักแน่นอยู่ในความไม่พยาบาทไม่ต้องเบียดเบียนกันแล้ว